วันนี้เป็นวันปฏิบัติธรรมของพวกเราวันหนึ่งได้พร้อมกันทำวัดสวดมนต์จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้ไปก็หลวงพ่อจะได้สัมโมนิกาาถาพูดให้ฟังเป็นการนำวันนี้คงจะได้ฟังเทศสมเด็จพระสังฆราชตอนบ่ายวันนี้มีโยม เอาซีดีมาถวายถวายหลวงพ่อกล่องหนึ่ง mm hmm. เขาก็มีเจ็ดจำนงเอามาถวายทุกวัดในชนบทเป็นเทศสมเด็จเจ้าประคุณสมเด็จพระสังฆราชองค์ปัจจุบันเนนะี่ยน่ะทั้งหมดมีถึงยี่สิบม้วนมียี่สบม้วนเหมือนนถามดูว่าประมาณสักหกถึงเจ็ดร้อยกันโอ้ ก็มากพอสมควรเพราะนั้นจะประเดิมวันนี้แหะจะได้ฟังเจ้าพระคุณสมเด็จแต่สมัยท่านเป็นหนุ่มจนถึงท่านเป็นพระผู้อาวุโสเก้กว่าปีแต่ทั้งคงจะจุดเทปมาหลายปีเหมือนกันนะนั้นต่อไปก็คงจะได้เปิดเทปเจ้าพระคุณสมเด็จให้พวกเราได้ฟังได้ศึกษาในเสียงของท่านสมัยท่านเป็นพระ นุ่มอบ ร, รมจิตภาวนาที่วัดบวร์วันนี้เป็นวันปฏิบัติของพวกเราการภาวนามีคนถามหลวงพ่อว่าจะปฏิบัติอย่างไรจะทำยังไงจึงจะได้ผลในภาคปฏิบัติตามให้จริงการภาวนาภาคปฏิบัติเนี่ย ไม่มีทางอื่นที่จะได้ผลเร็วนอกจากทำให้สม่ำเสมอด้วยความตั้งใจการสนใจและการตั้งใจนี่แหละคือมาอันดับหนึ่งคือศรัทธาคือความเชื่อเป็นเบื้องแรกจากนั้นก็ลงมือประพฤติปฏิบัติปฏิบัติให้สม่ำเสมอไม่ใช่ว่าทำลุกลุ่มรอน วันหนึ่งคิดกลุ่มขึ้นมาแล้วก็ตั้งอกตั้งใจทําจนไม่ลืมหูลืมตาแต่พอวันขี้เกียจแล้วก็นอนไปซึ่งเป็นปีเป็นเดือนก็ไม่คิดถึงเรื่องสมาธิภาวนาถ้าทําอย่างนั้นแล้วก็มันไม่ส ม, ม่าเสมอรูปรุป่รนรอนผลที่จะได้รับก็มันจะไม่ส ม, ม่าเสมอเช่นเดียวกันเพราะขาดการเอาใจใส่ขาดการดูแลขาดการต่อเนื่อง มันขาดการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเพราะการปฏิบัติธรรมนี้เราจะต้องทำให้ต่อเนื่องสืบเนื่องมันจึงจะได้ผลถ้าว่าเราคิดกลุ่มอกกลุ่มใจขึ้นมาแล้วก็ทำซะไม่ลืมหูลืมตาเร่งความภาคความเพียรแต่พอหยุดก็หยุดไปเลยจนไม่ได้สนใจอย่างนี้แปลว่าไม่ได้ผลเพราะนั้นการปฏิบัติ พวกเราท่านทางหลายให้ฟังเอาไว้ที่จะได้ผลนั่นคือพยายามทำให้สม่าเสมอจึงจะเห็นผลท่านเปรียบเทียบเปรียบเทียบเหมือนกับเราปลูกต้นไม้ถ้าเราปลูกแล้วเราไม่ได้ใส่ปุ๋ยเราไม่ได้รดน้าเราไม่ได้ดูแลพอปลูกเสร็จแล้วเวลาปลูกั้าทำดีทำดีตามหลักวิชาการทำถูกต้องหมดแต่ปลูกเสร็จแล้ว ไม่ได้ใส่น้ําไม่ได้ใส่ปุ๋ยปล่อยทิ้งเอาไว้ผลที่สุดถึงไม่ตายก็แกลนไม่ใหญ่ไม่โตพอขาดการดูแลรักษาอวันดีคืนดีกลกลับมากัรักษาซะเอจนใส่น้ำใส่ปุ๋ยจนมันจะตายอีกละ่ะผลที่สุดไม่ได้รับผลเท่าที่ควรแต่ถ้าว่าพอปลูกลงดินแล้ว ดูทุกวันเมื่ออย่างเล็กเราก็พยายามใส่ใจพยายามตั้งอกตั้งใจดูแลบารุงรักษาในระดับไหนเราก็พยายามปล่อยวางปล่อยลามือไปเรื่อยๆจนถึงที่สุดได้รับมรับผลสิ่งที่ปลูกของพวกเราจะเป็นพลไมกลากไม้ประเภทไหนก็ได้รับผลเพราะเราเอาใจใส่ ในภาคปฏิบัตริทรมก็จะเปรียบเทียบกันก็ในลักษณะนั้นเหมือนกันเพราะนั้นพวกเราท่นทานทั้งหลายทุกๆท่านถึงจะเป็นครวัตญาติโยมหรือเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าก็พยายามทำภาคปฏิบัติให้สม่ำเสมอแต่ละวันแต่ละเวลาอย่างน้อยวันหนึ่งอย่าให้ขาดในการนั่งสมาธิหานาที10นาที2 0 3สนาทีเป็นชั่วโมงก็เมื่อสุแทแต่โอกาส ที่จะเหมาะสมแต่ก็พยายามทําให้สม่ําเสมอเมื่อมีโอกาสแล้วก็ทําเว้นเสียแต่วันไหนมันไม่มีโอกาสเอาก็เว้นไปแต่ก็ใส่ใจเอาไว้แต่ตามไม่จริงการประพฤติธปฏิบัติธรมถ้าหาว่าเรายังหายใจเข้าหายใจออกอยู่ก็มีเวลาทั้งนั้นแหละเว้นเสียแต่หายใจมันขาดไปแล้วจึงหมดเวลโอหมดเวลาหมดโอกาสแต่ถ้าหาว่าเรายังหายใจเข้าหายใจออกอยู่ มีเวลาเพราะเหตุไรเพราะก่อนที่จะหลับนอนเราก็กําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกบริกรรมพุทธโธพุทธโธปล่อยวางทั้งหมดไอ้นี่ยืนเดินนั่งนอนเราทําได้ทั้งนั้นในภาคปฏิบัติเพราะนั้นเราจะไปถือว่าเราไม่มีเวลาเวลาคิดอย่างอื่นเรายังมีเวลาปฏิบัติภาวนากําหนดลมหายใจเข้าออกทําไมไม่มี แสดงว่าเราให้เวลากับสิ่งอื่นมากจนเกินไปจนลืมเวลาที่จะทําคุณงามความดีที่จะสร้างสั่งสมบุญกุศลเรียกว่าให้กําลังทางจิตใจให้อาหารทางใจลืมการให้อาหารทางใจเราให้แต่อาหารอย่างอื่นเพราะนั้นให้เราสำนึกสำนึกสําเนียกว่าอยู่เสมอ อาหารกายส่วนหนึ่งอาหารใจส่วนหนึ่งอาหารใจอย่างหนึ่งอาหารกายอย่างหนึ่งอาหารกายคือข้าวน้าโพชนาอาหารอาหารใจก็คืออารมณ์พยายามทำจิตให้สงบทำจิตให้เป็นหนึ่งทำจิตให้เที่ยงตรงไม่คิดเอาอารมณ์อื่นเข้ามาสู่จ <may> ิตสู่ใจพยายามสะบัดหรือว่าพยายามสกัดอารมณ์อื่นๆไม่ให้เข้ามาได้ พยายามกำหนดอันไหนก็พยายามเอาให้แน่วแน่กับกรรมาฐานนั้นๆอย่างอุูบาอจารย์ท่านแนะนำพุโทโธอย่างเนี้ยที่หลวงพ่อเคยย้ำแล้วย้ำอีกก็ยพยายามให้อยู่กับพุโทโธตลอดจะให้ไปทางอื่นอันนี้ก็คือภาคปฏิบัติของพวกเราท่านทั้งหลายเมื่อวานได้พูด เกี่ยวกับพุทธะพระพุทธเจ้าความเป็นมาการออกปวดการออกทรงประหวดของพระองค์ตลอดถึงการบำเพ็ญของพระองค์จนได้ตรัสรู้ธรรมเมื่อได้ตรัสรู้ธรรมแล้วก็นำพระธรรมคำสั่งสอนของพระองค์มาเผยแผ่บอกกล่าวแก่พวกเราท่านทั้งหลายมาถึงจุงจุค ป, ปัจจุบันพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ถาพิกดูหรือปฏิบัติดูหรือว่าค้นคว้าดูอ้างโดยเหตุด้วยผลแล้วพระธรรมคำส อ, สอนของผู้เรีเจ้ามีสาระมีประโยชน์อย่างมากมีคุณค่าอย่างมากอันนี้เราไม่ได้เปรียบเทียบกับศาสนาอื่นแต่ศาสนาใดก็ตามจะเป็นพูดเป็นคิดอิสลามเช็คอะไรก็ตามที่ เมืองไทยของเราที่นับว่าเป็นศาสนาทั้ง5อย่างการล่นแล้วจะมีคุณค่ามีประโยชน์จึงได้นับถือเพราะฉะนั้นจึงมีสาศาสนกที่นับถือศาสนาแต่ละศาสนามากน้อยต่างกันแต่ตามไม่จริงการนับถือศาสนาไม่มีขีดจำกัดไม่มีขีดห้าม ทุกศาสนามีคุณค่ามีประโยชน์พูดได้อย่างภาคภูมิใจแต่ว่าตามไม่จริงทุกศาสนามีคุณค่าเสมอกันไหมอันนี้สุดแท้แต่ศาสนาแต่ละศาสนาจะวิเคราะห์กันถ้าว่บวิเคราะห์กันคือว่าศาสนาเปรียบเทียบแต่ตามเราจะมาพูดขึ้นามามันก็ทะเลาะวิวาทกัน แต่ตามไม่จริงแต่ละศาสนาในมีคุณค่าเหมือนกับเงินสกุลต่างๆมีคุณค่าอย่างงั้นแ่ะแต่ว่าเงินทุกสกุลมีคุณค่าเสมอการไหมอันนี้ก็ต้องจะพูดอย่างนั้นไม่ได้เนี่ยแต่เงินทุกสกุลมีคุณค่าแต่เงินทุกสกุลมีคุณค่าเสมอการไหมอันนี้ก็คงจะพูดอย่างนั้นไม่ได้ประวัติแต่ละสกุล แต่ละประเทศมีการแปลแตกต่างกันแต่ทีนี้ทาไมทาไมมันไม่เสมอกันอันนี้มันก็ต้องค้นคว้าอีกหาหลักฐานการเป็นมาที่ว่ามีคุณค่ามากน้อยต่างกันสรุปแล้วทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันต้องวิเคราะห์มันต้องใช้สติปัญญาทั้งนั้นหละ ในหลักของพุทธศาสนาที่พุทธเจ้าเทศกาลามชนกาลามสศุตรพระพุทธองค์ก็บอกไม่ให้เชื่อถึงสิบอย่างไม่เชื่อบุคคลที่น่าเชื่อถือไม่เชื่อตามตำรับตำราไม่เชื่อตามครูบาอาจารย์ไม่เชื่อบุคคลที่น่าเชื่อถือได้ไม่เชื่อตามตามกันมาสิ่งเหล่านี้พระพุทธองค์ให้เชื่ออะไร ให้เชื่อด้วยการวิเคราะห์ใครควรไตรตรองเหตุและผลเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมีเหตุผลโดยกันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นการสินับถือครูบาอาจารย์ก็เหมือนกันจีนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก็เหมือนกันจะนับถือสิ่งไหนก็ก็เหมือนกันต้องวิเคราะห์ต้องดูให้ดีในหลักของพุทธศาสนาสมบัติของอุบาสกห้าอย่าง ในขอ้อนในเหล่านั้นก็ท่านก็พูดว่าเอไม่สแสวงหาบุญนอกเขตพระพุทธศาสนาสแสวงบุญในอืทำบุญในเขตปกะของพระพุทธศาสนาแต่ถ้าพุทธพุทองค์แคบไหมท่านก็ว่าไม่แบคบเอรค่าว่าท่านใช้ในความคิดไม่ว่าศาสนาศาสนิเกไหนก็ตามก็ต้องพูดในลักษณะอย่างนี้ แต่โดยมากเจ้าพุธเราไม่ค่อยได้พูดกันเพราะไม่เป็นเรื่องที่เปิดกว้างแต่ตามไม่จริงในหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าที่ท่านบอกเอาไว้สมบัติของอุบาสกห้าอย่างก็มีส่วนนี้ส่วนหนึ่งเหมือนกันนะเพราะนั้นพวกเราชาวพุธทุกๆท่านทุกๆระดับพวกเราจะเป็นผู้ใหญ่ต่อไปภายภาคหน้า ที่จะนับถืออะไรต้องคิดให้ดีอย่าถือมงคลตื่นตื่นข่าวให้เชื่อกำรรเชื่อผลของกลรรั่มกลัมก็คือการกระทำนั่นแหละอุบาสกาเชื่อผลกลัมให้เชื่อผลของกลรรักรรมกลัมคือการกระทำทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วอย่าถือมงคลตื่นข่าวแต่ทุกวันนี้ชาวพุทธของเรา โดยมากผู้ที่ห่างเหินกับวัดวาศาสนาโดย่ากมีอะไรขึ้นมาก่อนนับถือแบบไร้เหตุไร้ผลบางครั้งก่อไม่รู้จะทำยังไงมันเหอกันไปบางทีกล้วยออกตากลางลำเนี่ยกับจุดทูปเทียนไปขอหวยขอเปอร์อย่างนี้เป็นตน้นแล้วมีหลายๆอย่างมีวัวมีควายออกแข่งออกขาผิดปกติพิการ เออก็ไปนับถือกันนั่นอีกผลที่สุดไม่รู้จะทำยังไงเออบางทีไปนับถือพระพุทธเจา้าพระธรรมพระสงฆ์ยึดเป็นสาระเป็นที่พึ่ง อ, อ, อะไรก็นับถือไปหมด เ, เห็นอะไรก็ไหว้ไปหมดยกมือไหว้ไปหมดนับถือไปหมดแปลว่าไม่มีกฎมีเกณฑ์สิ่งเหล่านี้เราเป็นชาวพุทธเราเป็นพุทธมามกะพุทธบริษัท ควรจะส้ำเหนียกซ้ำนึกควรจะตรวจตราควรจะคิดดูให้ดีเหมือนกันนะอันนี้เป็นการกล่าวตักเตือนพวกเราท่านทั้งหลายทุกๆคนที่จะเป็นผู้ใหญ่ไปในอนาคตที่จะนับถืออะไรที่จะไม่นับถืออะไรต้องค่ควรพิจารณาเหตุและผลเป็นหลักในหลักของพุทธศาสนาท่านไม่ให้ถือเออ เลือกงเลือกงามยามดีอย่างนี้เป็นต้นอันนี้คือหลักของพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าที่ท่านบอกกล่าวเอาไว้เรื่องเลือกเลือกงามยามดีเราพวกเราจะได้ถ้าศึกษาในไปไตรปิดกแล้วเราจะฟังฟังดูแล้วพระพุทธเจ้าท่านไม่เห็นด้วยในหลักทัรในเรื่องเหล่านั้นพระพุทธองค์ท่านบอกว่าทำดีเวลาใดคู่ใดเวลาใดคู่ใดขนาดใด เดือนใดปีใดคู่นั่นแหลขณะนั่นแดดเดือนปีนั่นแหลเป็นเดือนดีเวลาดีคู่ดีขณะ ด, ดีแต่ถ้าว่าเราทําชั่วก็ตรงกันข้ามคู่ชั่วขณะชั่วเวลาชั่วเดือนชั่วปีชั่วไปทั้งหมดสรุปแล้วก็คือพระพุทธเจ้าเน้นในเรื่องการกระทําถ้าทําดีเวลาใดก็ดีเวลานั้นถ้าทําชั่วเวลาใดก็ชั่วเวลานั้น ถ้าหางว่าเราหาเว ล, เวลาหา ก, การดีๆดูเดลือกยามดีๆแล้วไปทำความชั่วเขาล่ะไปฆ่าไปตีไปป้นไปจี้เขาล่ะจะไม่ติดคุกอย่างนั้นใช่ไหมก็คงจะไม่เป็นอย่างนั้นเพราะตัวเองทำชั่วมันก็ต้องได้รับกรรมชั่วถึงจะยืดลืกงามยียามตีขนาดไหนก็ถเถอะพอไปทำกรรมชั่วมันก็ต้องชั่ว แต่ถ้าว่าไปทํากรรมดีละ่ะเขาไปหาวันนี้ฤกษ์ชั่วที่สุดะวันนี้ชีวิตของคุณของท่านวันนี้จะเป็นลึกชั่วที่สุดแต่เราไปทําคุณงามความดีละ่ะมันจะเป็นชั่วได้ไหมมันก็ต้องเป็นคุณงามความดีคือสิ่งเหล่านี้ในหลักของพุทธศาสนาท่านเน้นเรื่องการกระทําทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วแต่โดยมากบางคนก็บอกว่าคนหนึ่งเขาทําดี แต่ผลที่ตอบสนองมีแต่ผลร้ายที่กลับมาตอบสนองถึงเขาแต่บางคนทำแต่กรรมชั่วแต่ผลที่ได้รับมีแต่กรรมดีเออเป็นตอบสนองเขาเพราะนั้นกรรมดีกับกรรมชั่วเนี่ยอะไรกันแน่อันนี้เป็นคำถามของชุมชนสังคมของเรามาตลอดแต่ตามไม่จริงคนที่ทำกรรม ข่อกรรมดีนั้นไม่ใช่ทําจะเฉพาะวันนี้เออเมื่อวานนี้ที่เกิดมาพบนี้ชาตินี้เขาทํากรรมดีกัมชั่วเขาทํามาในอดีตชา ต, ติต่อเนื่องกันมาคืนนี้คือหลักของพุทธศาสนาคือพระพุทธเจ้าก่อนที่ท่านจะได้ตัดรู้เป็นพระพุทธเจ้าท่านบําเพ็ญมาเท่าไหร่กี่ภพกี่ชาติกี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่กี่แสนชาติเพราะฉะนั้นการที่เกิดมาในอดีตชาติชาติที่แล้วเราทํา แต่กรรมดีใช่ไหมก็ไม่ไม่มีใครที่จะรับรองและยืนยันได้ในชาตินี้เราเกิดมาขณะ น, นี้เราทำแต่กรรมดีใช่ไหมก็คงจะไม่มีใครที่จะยืนยันตัวเองได้เช่นเดียวกันเพราะการการทำความดีความชั่วนั้นกายกรรมวิจีกรรมมโนกรรมละ่ะมันทั้งสามทวารการทำทางกายการทำทางวาจาการการทำกรรมทางใจเราจะไม่เคยคิดชั่วเลยใช่ไหมคงจะไม่ถึงขนาดนั้น เพราะทุกคนก็มีกิเลสภายในจิตในใจความพอใจความไม่พอใจมันมีอยู่ในจิตใจของมนุษย์ผู้มีกิเลสทั้งหลายเพราะนั้นเราจะทำแต่กรรมดีอย่างเดียวคงจะเป็นไปไม่ได้เราจะทํากรรมชั่วอย่างเดียวก็คงจะเป็นไปไม่ได้เพราะนั้นกรรมดีและกรรมชั่วที่มาต่อเนื่องหรือพบชาติต่อไปวันพรุ่งนี้บืนนี้เพราะทําเราทํากรรมไว้แล้วในเมื่อวานวันก่อน กรรมชั่วเหล่านั้นก็คงจะให้ผลแก่เราเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทําไปแล้วบางทีกรรมกรรมดีแต่กรรมดีนั้นยังไม่ให้ผลเพราะกรรมชั่วมันมีมากกว่ากรรมพวกกรรมชั่วชิงให้ผลก่อนเราก็ต้องรับกรรมชั่วไปก่อนแต่กรรมดีนั้นรอทีหลังแต่พอเทนี้เกิดมาต่อไปภายภาคหน้าขณะที่เขาเขาทํากรรมชั่วจะนี่กรรมดีกลับมาให้ผลบัณฑิต ในช่วงนั้นคนทั้งหลายปุถุชนทั้งหลายเขาก็บอกว่าเอา้าทาไมคนที่ทำกรรมชั่วแต่ผลที่ได้รับมีแต่กรรมดีทั้งนั้นท่าว่าท่านผู้รู้ทั้งหลายท่านมียานัศนะคือพระหันหรือว่าท่านอย่างรู้ในอดีตหรืออนาคตปัจจุบันท่านคงจะรู้ได้ว่าอันนี้กรรมดีของเขากาลังให้ผลแต่ขณะที่เขาทำนี่คือทากรรมชั่วอยู่ในปัจจุบัน แต่ว่ากรรมดีให้กำลังให้ผลกรรมดีในในอดีตชาติของเขากำลังให้ผลแต่เอาเถอะต่อไปภายภาคหน้าที่เขาตามกรรมชั่วนี้กรรมชั่วตัวนี้แหละจะตามให้ผลต่อไปจะต้องงอกเงยต่อไปอันนี้คือหลักในพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้มากต่อมากคือให้เชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมกรรมคือการกระทําไม่ใช่ว่าเราจะทําในปัจจุบัน อย่างเดียวอดี ต, ตกรรมเราก็ทําเพราะนั้นท่านจึงว่ากรรมชั่วอย่าทําเสียเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วนั้นจ้องจะเผาผ่านต่อไปภายภาคหน้าไม่พบใดก็ชาติหนึ่งเพราะนั้นให้ทําแต่กรรมดีให้ทําแต่กุศลกรรมอันนี้คือหลักที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้ท่านวางาไว้ท่านบําเพ็ญมาอย่างนั้นถ้าหา พระพุทธเจ้าเราเกิดมาชาตินี้ชาติเดียวเราได้เป็นพระพุทธเจ้าก็ไม่มีในพระไตรปิฎกเล่มไหนท่านจะพูดอย่างนั้นแต่จะพูดไปท่านก็พูดถึงอดีตชาติของท่าน เ, เมื่อวานมีไหมวันนี้มีไหมพุ่งนี้มีไหมมันก็เป็นมาอยู่อย่างนี้ชาติที่แล้วมีไหมชาติก่อนมีไหมปีเปีนี้ ิแล้วนี่ปีนี้มีไหมปีแล้วมีไหมปีก่อนมีไหมปีหลังๆมีไหมมันก็ลักษณะอย่างนั้นเหมือนกันอนดีตชาติพบชาติมันสืบเนื่องกันมาเป็นขั้นเป็นตอนอย่างนั้นแล้วอนาคตวันพุ่งนี้มีไหมเราจะปฏิเสธว่าไม่มีได้ไหมเราคงจะปฏิเสธไม่ได้เพราะเมื่อวานมันมีวันนี้มันมีวันพุ่งนี้ก็ต้องมีอีกอเราจะไม่ถึงจะว่ามีได้ยังไงเพราะมันเคยมีมาแล้ว อันนี้อดีตชาติของเราคงจะลักษณะลักษณะเช่นนั้นหละมันมีอดีตแล้วก็มีปัจจุบันแล้วก็มีอนาคตสรุปแล้วก็คือตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกแน่นอนสิ่งที่ให้เกิดทั่นคือวิญญาณคือใจที่จะทำให้เกิดแต่วิทยาศาสตร์แขนงไหนก็เถอะสืบได้แต่รูปธรรม ส่วนนมามธรรมนั้นวาดลูกไม่ได้เอาเครื่องมือจับไม่ได้ว่าคนนี้คิดเรื่องอะไรนั่งด้วยการคนคิดเรื่องอะไรเอ่มีแต่พูดออกมาเท่านั้นจึงจะรู้ได้วแบบ่าคิดแนวแถวในลักษณะไหนแต่ถ้าไม่คิดคนนั่งอยู่เฉยๆให้คนนี้คิดถามได้ไหมไม่ได้เพราะเหตุใดป้อนมองไม่เห็นจะเอาเครื่องมือเข้าจับจับได้ไหมไม่จับไม่ได้ความคิดของแต่ละคน เพราะนั้นใจดวงนั้นหละที่จะพาไปเกิดในภพภูมิต่างๆได้แต่คิดได้จับได้ตั้งแต่รูปธปรรมคือสมองวัดได้ประสมองนี่กำลังคิดเรื่องอะไรปุ่งฟุ้งซ่านมากน้อยแค่ไหนอย่างไรอันนั้นก็วิเคราะห์กันออกไปแต่ส่วนใจที่นึกคิดนั้นจับไม่ได้ แต่ผู้มีญาณทัศนะอย่างพระพุทธเจ้าหรือพระรหัสสาวกท่านจับได้ท่านรู้ได้ว่าคนนี้คิดเรื่องอะไรอย่างที่พระพุทธเจ้าก่อนที่พระองค์จะปรินิพานในเมืองกุสินาราพระสงฆ์หลายร้อยรูปมาเฝ้าแต่พระพุทธองค์ยกย่อง น อ, นอนุรุท ธ, ธะเป็นเลิศกว่าพิสูธทั้งหลายรู้จักจิตใจของคนอื่นในบนรรดาสาวกของพระพุทธองค์ท่านยกย่องอนุรุท ธ, ธะเป็นเชื้อพระวงศ์เป็นเชื้อผู้น้องของพระพุทธเจ้าเจ้าเจะว่าไปแล้วก็ลักษณะลูกน้องชายพ่อของพระองค์แต่ท่านได้สาเร็จเป็น พระอรหันต์เป็นสาวกท่านหนึ่งท่านอารุอนุรุทธะท่านก็นั่งอยู่ในสถานที่แห่งนั้นด้วยแต่ในเมื่อพระสงฆ์มาพร้อมกันพระพุทธองค์กเทศนาว่าการสังเสียเป็นวาระสุดท้ายที่พวกเราได้ยินกับว่าขยะวยธรรมมาสร้างาราอัปมาเดนะสัมปาเดทาติ ขอท่านทางหลายจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดพอพูดจบเพียงเท่านั้นพระพุทธองค์ก็ไม่ได้พูดอะไรต่อไปอีกปิดพระโอษฐ์ขอท่านทางหลายจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดจากนั้นก็ปิดพระโอษฐ์ในขณะตีปิดพระโอษฐ์นั้นพระสงฆ์ทางหลายที่นั่งจ้องมองดู พระพุทธองค์อยู่ก็ไม่รู้ว่าพุพระพุทธองค์ปรินิพานหรือยังไปที่ไหนอย่างไรแต่นี้ท่านพระอนุรุทธะท่านที่ได้รับเอตตะคะจากพระพุทธองค์ว่าเป็นผู้รู้วรจิตของผู้อื่นท่านผู้อื่นต่นี้พระอนุรุทธะท่านกาหนดใจของพระองค์ดูกําหนดดูพระจิตของพระพุทธเจ้า เพราะท่านไม่พูดแล้วมีแต่จิตตามจิต罢了เนี่ยผู้รู้ตามผู้รู้ว่างั้นเะเออเพราะท่านอารุธะกันท่านก็เป็นพระรหันต์เพราะพุทธเจ้าท่านก็สยามภูเป็นพุทธะแล้วไม่ต้องพูดถึงพระรหันต์ว่างั้นเถอะทั้นี้ก็ตามพระสงฆ์ก็ถามว่าท่านอนุรุตเดี๋ยวนี้พระ อ, องค์ปรินิพานหรือยังท่านอนุรุตอนุรุตท่านก็ตอบว่าอย่าง ขณะนี้พระพุทธองค์กําลังเข้าฌานเออคือพอพระองค์หยุดปิดพระโอษฐแล้วพระองค์ก็เข้าฌานที่หนึ่งเออกำหนดฌานที่หนึ่งเฌานคือทําจิตถ้าจะเปรียบเทียบกับหยับหยาก็คือสมาธิน่ะเอฌานผลพลอยได้จากสมาธิถ้าจิตไม่เป็นสมาธิฌานจะไม่เกิด อันนี้กำหนดพระองค์ก็ชำนาญอยู่แล้วไม่ต้องพูดถึงมหาชำนาญเนี่ยไม่ใช่ชำนาญธรรมดามหาชำนาญเลิศทุกสิ่งทุกอย่างกำหนดปุ๊บเข้าชานที่หนึ่งเดี๋ยวนี้พูดองค์กำัอยู่ชานที่หนึ่งอไปชาตที่สองออชานที่สอง อ, อนุรุตกำหนดไปเรื่อยอันนี้ชานที่สามอันนี้ชานที่4อันนี้ชาท น, นชาที่ห้าเออ ชาญที่หกชานที่เจ็ดจนถึงชาญที่เจ็ดเนว่าสัญญานาสัญญายัตนะสัญญาเวทะยิตะนิโรธสมาบัติผลในสุดทัพระองค์ก็ย้อนกลับมาอีกย้อนออกมาชาญที่หกานที่ห้าชาญที่สี่ชานที่สามชานที่สองชานที่หนึ่งพบอนุรุตอนุรุตท่านก็บอกให้ พระสงฆ์รับรู้รับทราบตามที่พระจิตของพระพุทธเจ้าอยู่ในฌานแต่นี้ก็กระยับขึ้นไปอีกฌานที่ 2, 3, 3, อสองฌานที่สามฌานที่สี่พอถึงฌานที่สี่กับฌานที่ห้าพระพุทธเจ้าป ร, รินิพานในระหว่างฌานสี่กับฌานห้ารูปฌานกับอรูปฌาน นิพพานในระหว่างนั้นไม่ไในนิพพานอยู่ในชาญใดชานหนึ่งอยู่ในระหว่างชาญสี่กับชาญห้ารูปชาญกับอรูปชาญภาษาริบุตรก็บอกว่าพระองค์ปรินิพพานแล้วหมดความหมายที่จะว่าไปอยู่ในสถานที่ใดนอกเหนือจากโลกสมมุติทั้งหลายทั้งปวงที่จะพูดถึงถ้าพูดถึงก็คือสมมตุติอันนี้นอกเหนือจากสมมุติไปแล้วคือนิพพาน อันนี้คือท่านผู้มีความรู้ท่านมีเครื่องมือที่จะติดตามพระจิตของพระพุทธเจ้าแต่นี้ถ้าว่าเราจะเอาเครื่องมือส่วนอื่นเข้ามาติดตามคงจะยาบเกินไปต้องญาณทัศนะติดตามกันนี่ละ่ะอันนี้คือพระพุทธเจ้าพระหันสาวก ท่านได้พูดได้ปฏิบัติได้รู้ได้เห็นสำหรับครูบาอาจารย์ในยุคปัจจุบันหรือว่าครูบาอาจารย์ที่ท่านปฏิบัติมาผมเองผมก็มั่นใจที่ท่านได้มักได้ผลไม่ได้ไม่ได้สงสัยเลย ในสิ่งเหล่านั้นถึงผมจะไม่ได้แต่ผมมั่นใจเพราะเหตุไรเพราะว่าเพียงสมาธิทำจิตให้สงบทำจิตให้เป็นหนึ่งเป็นพื้นฐานเท่านั้นแล้วความสงบความร่มเย็นผาสุขเราก็เห็นได้ชัดชัด ตลอดถึงว่าเมื่อจิตสงบลงไปแล้วกายกับจิตเป็นคนละส่วนกันอันนี้เราก็เห็นได้ชัดๆกายกับใจไม่ใช่อันหนึ่งอันเดียวกันมันคนละอันกันเหมือนกับผลไม้อยู่ในจานอย่างงั้นจานก็คือจานผลไม้ก็คือผลไม้เหมือนกับคนขับรถรถก็คือรถคนขับรถคือคนขับรถคนขับรถกับรถไม่ใช่อันเดียวกันมันแยกกัน แต่ร่างกายนี้แตกแต่จิตใจนั้นไม่แตกแต่ว่ามีเชื้ออยู่เชื้อคือกิเลสราคะโทสะโมหะอยู่ในนั้นจะต้องไปปฏิสนธิจะต้องไปเกิดอีกก่อพพก่อชาติอีกพอก่อพก่อชาติพอตายไปแล้วก็วิญญาณก็ยังอีกใจยังนั้นกันอีกไปก่อพพก่อชาติอีก แต่ว่าดวงใจดวงนั้นได้ทํากรรมอันใดไว้ถ้าหากว่าทํากรรมชั่วกรรมชั่วก็จะต้องตามพาเขาลากเขาลงไปสู่ทางต่ําเพราะจิตใจมุ่งคิดลงไปไปในชั่วพูดทางชั่วเวลาก่อนตายก็คิดไปได้ถึงแต่ความชั่วเพราะกรรมชั่วนั้นก็ต้องพาดึงเขาลากโขกเขาลงไปสู่ทางต่ําตกลกหมกไปใช้กรรมกันไป แต่ถ้าว่าเขาคิดแต่ทางดีทําดีทําคุณงามความดีบุญกุศลก็ส่งเสริมเขาส่งไปในทางที่ดีสูงขึ้นมีแต่ความร่มเย็นผาสุขทางจิตใจเหมือนกับกายวาจาใจของคนมนุษย์ชาติเนะี่ะถ้าว่าคิดแต่ทางชั่วทำแต่กรรมชั่วเขาก็จับเข้าคุกเข้าตารางอย่างนั้นะแต่มีแต่คิดคิดแต่เรื่องดีมิแต่คิดสร้างบุญสร้างกุศลมิแต่ ช่วยเหล um ือชุมชนชัางคมมีแต่ทำตัวเป็นคนดีเป็นยังไงเป็นที่ยกย่องนับถือใจของเราก็สบายอกสบายใจไม่ใช่เหรอกรรมชั่วกรรมดีมันมองเห็นได้กรรมในปัจจุบันปัจจุบันนกกลัมมองเห็นได้เพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายทุกๆองนะสรุปแล้วก็คือให้เชื่อกรรมเชื่อผลของกลั่มทวนจะเชื่อมากน้อยยังไงแค่ไหน ให้วิเคราะห์ให้พิสูจน์ให้ทบทวนให้พิจารณาให้มองด้วยปัญญาแล้วกันหลักยึดหลักธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นแบบฉบับหรือว่าเป็นแนวทางเป็นเส้นบรรทัดที่เราจะต้องเดินหรือต้องวิเคราะห์ตามแนวแถวที่หลักครูบาอาจารย์จากนั้นก็ปฏิบัติตัวเองด้วยสังเกตตัวเองด้วยดูใจของตัวเองด้วย ถ้าจะเชื่อไม่เชื่อที่อื่นนั้นมันเชื่อด้วยตัวเองนะป่านแต่ตำรับตำรานเป็นแต่เครื่องบอกเท่านั้นเอง <Ad olf. S 1> เมื่อเราจะทานอาหารอะไรรสเปรี้ยวเค็มหวานคนอื่นว่านี่รสเค็มนะเราจะไปเชื่อทีเดียวไม่ได้เราต้องแตะดูซะก่อนอรสเป็นยังไงเราเป็นผู้สัมผัสเรารู้เองเมื่อเรารู้เองนะทีนี้ไม่ต้องเชื่อใครอื่นต้องเชื่อตัวเองว่ามันเป็นอย่างนี้เค็มมันเป็นอย่างนี้หวานมันเป็นอย่างนี้ เปรี้ยวมันเป็นอย่างนี้ลดผลไม้เป็นอย่างนี้อันนี้ก็เช่นเดียวกันท ร, รมะของพระเจ้าเนี่ยเป็นธรรมปัจจดตังผู้ปฏิบัติเท่านั้นรู้ได้เฉพาะตัวคนอื่นมีแต่บอกกล่าวกุบาอาจารย์มีแต่เป็นผู้ชี้แนะเป็นผู้ชี้นำผู้ที่จะกระทำตามก็คือพวกเราท่านทั้งหลายเพราะนั้น วันนี้ได้พูดเรื่องเกี่ยวกับกรรมคือการกระทำกายกรรมวิจีกรรมมโนกรรมของพวกเรานะส่วนที่จะกำหนดภาวนาทางด้านจิตใจค่อยฟังเจ้าพระคุณสมเด็จจะเทศนาให้พวกเราฟังต่อไปเอาตอนนี้ไปนั่งสมาธินี่นะนั่งขัดสมาธินั่งสมาธิเพื่อ ฟังธรรมเทศนาของเจ้าพกุลสมเด็จต่อไป